ไอ้ขนาดนี้นี่นะครับรูปกับนามกําลังเช่นกิริยาของการหายใจ ยืนนิ่งๆก้มเลยเอียงซ้ายเอียงขวาหรือคู้เข้าเหยียดออกในขณะ สติความรู้สึกตัวถึงความรู้สึกตัวเราจบที่จุดไหนกันแน่ นี่ยังทําเล่นนะๆไม่ได้เลยคัมภีร์ 100 คัมภีร์ 10,000 เพราะLambda ไม่อยากปฏิบัติไม่ไม่ปฏิบัติสิ่งที่รู้ใน เขาจะเป็นที่จะชุบชีวิตได้ทั้งสุขแท้และ ที่ร้ายชีวิตที่จริงเมื่อผมพูดคําว่าศพไม่ได้หมายถึงศพที่เน่าเละแล้วนะครับจริงๆนั้นยังเป็นอยู่ มันทิ้งไว้เมื่อเราตัดฝังด่านอยู่หลายชั้นเราทิ้งไว้มันมีที เมื่อชีวิตปรากฏขึ้นในอีกคนหนึ่งนั้นนะครับเราซึ่งเป็นผู้เฝ้าดูจะเห็น ก็เริ่มถามถึงฐานะของตัวเองชื่อสิ่งสมมุติสถานที่และการเวลาแต่ก่อนหน้านี้ เพราะว่าเป็นศพเป็นวัตถุเป็นท่อนเหมือนกับท่อน ศพนั้นคือตัวเราครับแล้วตัวเรานั่นเองดังนั้นพอ สภาวะรู้ตัวได้ก็ปรากฏขึ้นสภาวะรู้ได้เข้าใจมั้ย ทีนี้ลำดับดูนะครับว่าว่าชีวิตมันฟื้นขึ้นมาๆนะ ของชีวิตชีวิตเท่าที่รู้ได้ที่รู้สึกตัวได้เท่านั้นเท่าที่รู้ได้คือชีวิตทางด้านเช่นผมชื่ออะไรมัน เวลาตายก็มันจริงๆเราไม่มี เรเรานั่งยกมือแล้วเราคิดว่าเรากําลังยกมือไปจบใน สิ่งแบ่งแยกจากตัวการกระทําอาจารย์ครับเหมือนที่เราชอบมีปัญหามาถามผมเดินอยู่แล้ว เห็นผู้หญิงเข้าก็คิดว่าโอ้นี่เป็นชาวสุราษฎร์ชาวบ้านดอนนี่เราก็โอ้เค้า กริษณาโรเวโนเนี่ยเรื่องบรรยายอย่างงี้ดังนั้นเราเรามัวบรรยายโลก ที่สงัดเงียบราษฎร์จากคําวิภาคพิจารณ์แล้วเรา ผมต้องบอกว่าเวลาภาวนานั้นอย่าให้มันพูดถ้าถาม มันมันไปไม่ได้ครับจิตที่ไม่บรรลุถึงสมาธิก่อน แต่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้เลยเราช่วยตัวเราเองไม่ได้เลยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเช่นครับมันมันคนละเรื่องไปเลยพระ ซึ่งมันเอามาต้มน้ําให้เดือดไม่ๆแล้วเรามาต่อกับ จะพูดอีกบาทนี่คือเชื้อไฟของมันให้จับชีวิตแห่งชีวิตขึ้นมาคือแต่ว่าความเข้าใจของพวกเรา ในเมื่อสุขบูญจริงเมื่อคืนนี้มีคําถาม ผลลัพธ์ตรงมาได้ก็มันสิ้นทุกข์ที 84,000 พระแล้ว ตัวผมเองนี่ก็จะคิดคิดว่าก่อนเราจะปฏิบัติเราต้อง ดูกรนั้นก็ไปเดินจงกรมไปเฝ้าดูจนกระทั่งจับได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นภาวะโอ้เวลาบรรยาย เขาต้องเข้าปฐมฌานเห็นนู้นเห็นนี้ยกจิตขึ้นอย่าง มันก็ส่สมคําพูดคําอธิบายนี่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เราอายุ 12 ขวบเด็ก ธุรกิจหรอกให้ให้เจริญภาวนาดัครเนมียชีพทอผ้าเราเราคงไม่มีใครทราบแต่ๆเลยตอนใหม่ ประทับนั่งที่ธรรมศาลากลางหมู่บ้านผู้คนก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมไม่ทรงตรัสอะไรทั้งนั้นนิ่งเฉยทรงอบอยู่พระ ความรู้นี่กว้างขวางไม่ใช่อย่างนั้นครับพระเจ้าจะที่จะช่วยใครคนใดคนหนึ่ง พระเจ้าสงถามว่าเด็กก็อายุ 2 ขวบเขาจะเรียกว่าเธอมาจากไหนคําถามง่ายๆนี้ปรากฏกับ ครอบงไม่รู้ตักพูดภาษาชาวบ้านนะว่าฉันไม่รู้ดิวิชถามย้ําว่าเธอไม่รู้หรือว่ารู้อยู่ว่า ทักทะลึ่งไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงที่จริงพวกคนเหล่านั้นไม่รู้เราถามเพว่าเธอมาจากไหนเอิ่มกี้ผมเล่าผิดกล่าวไปบ้างนะ สลับกันบ้างไม่รู้เคยมาจากไหนเอ่อแล้วทําไมถึงตอบเราว่าไม่รู้จริง ก็คือกําลังอยู่ในสภาพประมาทนะครับสมมุติดังนั้นเด็กคนนั้นก็อธิบายว่าเมื่อพระองค์ถาม คือมันไม่มีที่มาหรือทะสาไว้ๆเนี่ยมันสาวไปหาปูหญ้าตาตอบไม่ได้ดิผู้ช่วยถามว่าเมื่อเราถามว่าหรือตอบเด็กตอบ <c oughs> นั่นหมายความว่าไงเด็กก็อธิบายว่าแม้ไม่รู้ชีวิตมาจากไหนแต่รู้มันต้องไปตายแน่ๆไม่รู้ภาษาอย่างทีนี้ สมยกเตชังตรงจุดที่ว่าเช่นที่ว่าขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จุดอื่น บ่อคือรากฐานของการเข้าถึงธรรมนั้นอยู่ที่ตัวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้านะครับเพราะถ้า <c oughs> พิมพ์พานั่นดังนั้นรากฐานในการรู้ ผมใช้สับกรรมสร้างรากฐานถ้าเป็นสับบูรารที่ มันไม่ไหววันธรรมดามันไหวไปยึดถือในเรื่องนั้นไหวยึดเรื่อง แต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะรับรู้อารมณ์สับง่ายๆ <c oughs> คนที่จะหาให้ความสุขก็คือคนที่มันทุกข์มากๆนะครับถ้าคน หลวงเมจัมเป็นหนุ่มเพราะว่าพวงถึงเทคนิคของการฝึกจิตมากมายเนาะครับสมัยผมหนุ่มๆผมหันมาตั้งๆนะตนานเข้าผมถาม เพราะกระโดดน้องเพียงเดิมว่าอ่านมันไว้เล่นๆไว้ขู่เพื่อนครับเราอธิบายได้ที่ <c oughs> แล้วจึงจุดเท่าไหร่มั้ยฮะเราเพียงรอจังหวะช่วง พอรู้สึกตัวตรงๆได้ตรงๆแล้วนะครับมันเริ่มเกิดสมาธิแล้วแต่ว่า ระนั้นสมาธิจะเริ่มจะเริ่มต่อ 1 ต่อเมื่อเราไม่พลัดเข้าไปในความคิดปรุงแต่งคือไม่เผลอเข้าก็จะพลัด ดังนั้นเราต้องปล่อยให้มันคิดแต่เราต้องไม่เข้าไปในความคิดนะ แต่เราตั้งนิมิตหนึ่งเช่นเพ่งองค์พระพุทธรูปเหมือนที่บางสำนักใช้ที่ๆหลายแล้วพูดพูดตามที่ผม เพี้ยนง่ายแล้วผมๆเนี่ยนะเตือนพวกเราครับอันตรายๆเข้านั่งๆแล้วเห็นแสงอะไรมา 2 คนนะพวกนี้เป็นพวกๆได้ยิน 3 เดือนแล้วท่องเวียนมาพบผมบ่อยครับเพียรมันไม่ใช่เรื่องโดยหาๆ ประสบการณ์การพลิกมือหายใจเข้าหายใจออกแล้วกําหนดรู้อันนี้เพี้ยนไม่แต่ผมที่ผมบอกว่านั่งแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมอยากเห็นนั่นเองอยากเห็น คืนแต่มันไม่มีจริงเลยราวกับเป็นจริงแต่มันไม่มีจริง ที่คือ 1 ดึกๆเค้าเค้ารู้สึกตัวเค้าตรัสรู้แล้วเป็นพระครับคือประโคแกไม่สบาย เฌอกสิณนั่งเพ่งไฟนี่ครับก็ตกดึก 10 ปีเสีย ผลที่เกิดจากการพยายามที่จะให้เห็นสิ่งสิ่งๆเรียบง่ายไปแล้วก็ กมธานะครับที่